ฟังเพื่ออะไรฟังเพื่ อ, อไปทำไม่ใช่ฟังเพื่อจำฟังแล้วเอาไปทำดูทำบานลอยทำกรรมฐานกรรมฐานทำยังไงมีที่ตั้งมีสติตั้งไว้ที่กายให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอตามรูปแบบของกรรมฐาน ที่นี่เราฝึกกรรมาฐานแบบสติปัฏฐานจึงได้ตั้งอัชื่อว่าสถาบันสติปัฏฐาน <c oughs> เป็นแหล่งการศึกษา <c oughs> เอากายเอาใจเป็นตำลามีสติเข้าไปดูไปเห็นกานที่จะมีสติไม่ใช่คิดรู้เอาให้ประกอบให้สมบัต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 วินาทีหนึ่งมีอาจจะมีวิธีที่จะลู่ข้างหนึ่งวินาทีละลู่วินาทีละลู่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าวินาทีหนึ่งหายใจออกวินาทีหนึ่งพอดีพอดีไม่ช้าเกินไปไม่ไวเกินไปการสร้างจังหวะวินาทีหนึ่งเคลื่อนหวินาทีหนึ่ง วินาทีหนึง่งเคลื่อน ว, วินาทีหนึง่งกรลู่ทีหนึง่งวินาทีกระลู่ก็เดินจงกรมบอก ว, วินาทีหนึงหนงหน่งก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งกรลู่ทีหนึง่งพอดีพอดีไม่ช่าเกินไปไม่ไหวเกินไปงั้เราลำดับล ำ, ล ำ, ลำนำให้มันทีทีถ้าเราล ำ, ลำนำให้ทีทีมันก็จะติด นั้นเราทำอะไรที่เราทำบ่อยมันก็ติดได้ทำเป็นกายไม่จะติดความรู้สึกตัวใจเวลามันหลงมีสติมันจะติดความรู้สึกตัวแต่ก่อนกายของเราใจของเรามันติดอะไรมาติดสุกติดทุกข์เรื่องของความสุขก็เป็นเรื่องของกายเรื่องของความทุกข์ก็เป็นเรื่องของกาย เรื่องของความสุขกเป็นเรื่องของใจเรื่องของความทุกข์เป็นเรื่องของใจมาไปตีแบบนั้นนอกจากนี้แล้วยังมีความโล้ความโกรธความหลงความอิจฉาเบียดเบียนความยินดียินไล่พอใจไม่พอใจเจนชื่อว่ากิเลสพันห้าตนะร้อยแปดเป็นเรื่องของใจเราจึงมามาหัดให้มันลูกนะ รวมรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่ล้างล้างสิ่งที่มันเปิอเพื่อนมาจะเป็นอะไรก็ตามที่เกิดจบใจเรามันเปลี่ยนได้มันปฏิบัติได้มันให้ผลได้เราจึงต้องมาผูกหัดไม่ใช่มาเรียนรู้หัดเอาอย่าหาคำตอบจากความคิดอย่าหาเหตุหาผลให้โอกาสกระทำเป็นเป็นหลัก เนอหัวที่ตั้งการกระทำนี่มันจำแนกไปเองกันเป็นกรรมที่มีผลเรายกมือเคลื่อนไว้เจ็ดงรั้งวินาทีละลู่ละลู่กรรมตัวลู่ตัวนี่ลู่ไปบ่อยหนึ่งวันทีเ่เดวันหนึ่งเดือนทีเ่เดเดือนหนึ่งปีถึงเจ็ดปีลองพิสูจน์ดูฝึกตนสอนตนแล้เจ็บเป็นยังไงมาฝึกได้ทั้งนั้น จะเป็นจิตหิตที่เฉยแบบน้อยแล้วเขาจริตโทโสจิิจรตรโมหิจิิตมีทุกข์มีสุขอะไรมาเผิกได้ให้มันเหนือถ้ามีสภาวะที่รู้สภาวะที่รู้เนี่ยมันไม่เป็นอะไรกับอะไรมันหลงกว่ารู้ไม่ใช่หลงเป็นหลงมันรู้กว่ารู้ไม่ใช่รู้เป็นรู้มันสุขกว่ารู้ไม่ใช่สุขเป็นสุข มันทุกข์ก็รู้ไม่ใช่ทุกข์เหมือนทุกข์แล้วก็ไม่มีค่าเพราะความรู้สึกตัวมันเป็นสิ่งที่ชอบกั่าถูกต้องกั่วความสุความทุกข์มันเป็นผู้แพร่แพร่ความรู้สึกตัวมันตรงมันมั่นคงไม่ผู้ไม่แพร่มันเที่ยงตงรงโดยเฉพาดอย่างนี้ดู ปกใหม่ๆมันก็จะตัวกระเสือสักหน่อยมันง่ายที่จะหลงนั่นแหละมันดีแต่มันหลงที่ใดก็รู้นั่นแหละมันดีมันอยู่ดีมันมีอยู่ตรงนี้มันเดินอยู่ตรงนี้มันเคลื่อนไหวตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนี้ถ้ามันหลงให้มันรู้เปลี่ยนทวมหลงไปควงรู้เฉยแล้วปฏิคือเปลี่ยนปฏิบัติคือเปลี่ยน เปลี่ยนรายเป็นดีเปลี่ยนอะไรอะไรก็ตามเป็นความรู้นตัวควมรู้สึกตัวเนี่ยเป็นกำเนิดของของโพธิเป็นโพธิโพธิคือปัญญาปัญญาตัวนี้คือเป็นการตัดจะรู้จะเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายได้ไม่ใช่โพธิต้นโพพระพุทเจ้าอาจอารย์อุปมาอุปมา เป็นเป็นบุคคลที่ฐานหรือธรรมะที่ฐานบาุคลาที่ฐานว่าข้าว่าเจ้าจะไม่หนีจากที่นี่แมนเลือดเนื้อเงอเอ็นกระดูกจกะพูกพันกันก็ตามจะไม่หนีจากที่นี่คือไม่หนีจากต้นโพนี่เป็นว่าบุคคลที่ฐาน เป็นธรมะทีฐานก็ไม่หนีจากสติสติคือโูที่นมันหลงไปคิดไปถึงพิบมาไม่ไปกับความคิดมันคิดถึงเราหุนไม่ไปกับความคิดมันคิดถึงปชะฉมลู่ดูไม่ไปกับความคิดกลับมามันคิดถึงเสาสนมกำนันในไม่ไปกับความคิดกลับมาม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 แต่ถ้าเราหลงก็เป็นคนลราคนมันจริงอย่างนี้ไม่ต้องมาเหตุผลมามาแยกแยะให้เป็นการกระทําปาให้ความการกระทําเป็นสิ่งที่ตอบออกมาอยือให้ความคิดเหตุผลเป็นการตอบไอ้ก็คิดได้เหตุผลก็คิดได้เหตุผลก็จะฆ่ากันตายก็ได้ไม่ไม่เป็นปรเม็ดไม่เป็นสัจจะ จัตเจมันต้องเป็นจัตเจเป็นธรรมรู้ความรู้สึกตัวเป็นธรรมเอมหลงไม่เป็นธรรมรู้สึกตัวเป็นธรรมความทุกข์ของโกรธโลภหลงโคมเกิดเจ็เจ็บตา ย, ยไม่เป็นธรรมรูม้สึกตัวเป็นธรรมกาเดี๋ยวนี้เราเอสมมติมามามาสร้างให้เราเป็นอะไรก็ได้ อันสมมุติเป็นต่างกันความสุขของบางคนอาจเป็นความทุกข์ของคนอื่นเพราะจมว่าบัญญัติเอาไม่ใช่ปรมาจิั จ, จะน่าจงว่าบัญญัติของใครก็ถือว่าเรื่องนั้นตัดสินใจทำเขาว่าบางคนเขาว่าสุบูรีดีเขาก็าตัดสินใจสุบูรีมาแน่นเป็นจุดของเขา แต่ผู้ที่สมมติว่าสูบุรี่ไม่ดีมันเป็นโทษเขาก็ไม่สูบุรีบางคนก <S <S 1> <S 1> ินเหลวดีดีกว่าไม่กินดีกว่าแต่บางคนกินเหล้าไม่มีประโยชน์เราไม่ต้องกินเหล้าบางคนก็ตัดสินใจทาตามความโกรธพอใจในความโกรธ คือหนึ่งแล้วยังไม่ยอมพอใจในความทุกข์ไม่ยอมปล่อยวางไม่มีสติให้ความทุกข์นอนเนืองอยู่ในจิตบางทีพอใจเลือกเอาเรื่องที่มีทุกข์มาคิดอยู่บ่อยๆวามสุขความทุกข์ก็จากความคิดไม่มีใครมาทำไม่เรามันเป็นความผิดของเราที่เกิดขึ้นเราก็ทุกข์ก็ทุกข์กว่า คิดเกิดมานอนไม่หลับคิดเกิดมากินข้าวม่ลงคิดเกิดมาน้ําตาไหลไม่มีใครทำเกิดจากความคิดทําไมไมันจะคิดเพราะมันหลงทําไมจึงหลงเพราะไม่เคยรู้ไม่เคยผุดหัดเรามันคิดก่ทิพย์เรามันสุกก็สุกสุดสุดไปควาี่ยมสุกพายให้สูกความทุกข์พาให้ทุกข์เมโกรธพายให้โกรธความหลงพาให้หลงถ้าเรามาผุดัดแล้ว ความหลงพาใา้ลูกความสุขพา่ายลูกความทุกข์พ่ายลูกมันไม่มีค่านี่เป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกหัดตรงนี้กันทำให้มันเป็นไม่ใช่เรียนลูกทำให้เป็นการเรียนลูกใครก็เรียนลู้ได้มีสถาบันการศึกษาทั่วๆไปใครๆก็รู้ทั้งนั้น แต่การทำให้เป็นเนี่ยเราต้องสอนตัวเราคนอื่นสอนลราไม่ได้ก็เหมือนหลงลูกเป็นใบ ห, หรือหลงเป็นหลงถ้าหลงเป็นหลงไม่ได้สอนตัวเองทำไม่เป็นถ้าหลงก็หลงไปทุ ก, ก็ทุกไปสุข ก, ก็ทุกไปอันนี้ไม่ใช่รู้ไปก็รู้ทุก็ทุกไีแต่ยังทุกอยู่ อะไรก็ว่าโกรธไม่ดีแต่ยังโกรธอยู่เติมรู้ใช่ไหมได้จะต้องฝึกเอาไม่ต้องรู้ว่าดีไม่ดีหรอกน่าเราฝึกเราสัมผัสดูกลมหลงไม่เป็นธรรมเลยกลมโกรธไม่เป็นธรรมเลยเติมทุกข์ไม่เป็นธรรมเลยตัวไม่โกรธควไม่ทุกข์ความรู้สึกตัวเป็นธรรมกลัวเนี่ยก็ไม่ต้องถามใครทุกคนต้องตอบตัวเอง เราจะทำไม่มีคำถามเราจะทำไม่แต่คำตอบคนอื่นตอบไม่ได้เราต้องตอบเวาเองนี่คือสัจจะอันถ้าตอบนี่มัเป็นอันเดียวกันสัจจะถ้าสมมติมตันต่างกันของจริงต้อเป็นอย่างเดียวของไม่จริงก็เป็นได้หลายอย่าง เรื่มรู้สึกตัวอยู่กับใครก็เหมือนกันหมดอยู่กับญาติโยมอยู่กับพ่อสงอยู่กับคนหนุ่มคนสาวอยู่กับผู้หญิงผู้ชายอยู่กับชาติใดภาษาใดเป็นเดียวกันหมดอันที่ว่าผมรู้สึกตัวแล้วเหมือนกันนี่คือของจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าความหลงไว้่ตรองกัน ที่โส ด, ดูเอาไปเชื่อใครไม่เช่อเชื่อครูบาอาจารย์พูดในสิ่งที่ควรเชื่อพูดในสิ่งที่มีเหตุผลพูดในถูกกับปริตรี่ใจของเราอย่าไปเชื่อแบบนั้นให้เชื่อการกระทำของเราเริ่มอย่างนี้มันเกิดจากนี้ขึ้นมาเมื่อทานี้เกิดจากนี้ค่ะก็มีความเพียรไอ้ความเพียรก็มีความใสยใจ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 นี่โอ้ยเจ้าศึกษาตรงนี้กันจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่จสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะร่วงพ้นภาวะเก่าร่วงเกินภาวะเก่าเปลี่ยนชีวิตเก่าเป็นชีวิตใหม่ขึ้นมาจนรี่ว่าผมวาจนรเราก็เป็นเพื่อนกันมีเพื่อนดีมีสหายดีมีมิตรดี ทําเรื่องนี้กันไม่บเปลี่ยนกันไม่บเปลี่ยนตัวเองไม่บเปลี่ยนคนอื่นเพื่อนดีสายดีมิตร ด, ดีไม่ใช่เพียงอยู่ด้วยกันอาศัยการกินกินข้าวกินปลาด้วยกันเก็นี้ไม่พอมันถึงที่โน่นเหนือการเกิดเจ็บตายโน่นผู้ที่มีทุกข์พ้นจากทุกข์มีมีความเจ็บความเจ็บความตายพ้นจากความเจ็บความเจ็บควาตายได้นอน โดยที่สุดคือทั้งหมดของชีวิตเราเลยที่นี่ขอเป็นมิตรเพื่อนกับทุกคนไม่เป็นอาจารย์ของใครไม่ป่วยกันทิ้งเป็นไม่สบายกายพาไปหาหมอไม่สบายใจให้หาธรร ม, มะมีสติสัมปชัญญะมันไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่เราก๋รมสบายกายหมอลูก พาไปหาหมวัวได้พวนี้จะมีหมวัวมาประมาณสามสิบคนมาเข้าคอดกันที่นี่เดินแล้วสองข้างใครใครเขก็ปฏิบัติกันแล้วถ้าคนไหนไม่ปฏิบัติถือว่าคนนั่นล่าสมัยถ้ายังโกรธยังหลงยังทุกอยู่ล่าสมัยมากแล้วเขาไม่หลงกันแล้วเขาไม่โกรธกันแล้วเ ข, า ไ, กกวขาไม่ทุกข์กันแล้ว ในโลกเนี่ยทำไมเราจึงมาอยู่ตรงนี้กันปลอดภัยยังไงเราจะอาศัยตรงไหนอะไรเป็นเฉียนสารของเราความรักกลายเป็นความเจียดชังฆ่ากันตายพความรักก็มีทั่วๆไปอะไรไมันเป็นเฉียนสารเราไปฝากเอาชีพไปห้อยไปเฉียนไวยกับสิ่งไหนเอาชีพไปห้อยไปเฉียนกับความรัก มันไม่ใช่บางทีเอาชีวิตไปห้อยไปขเขีนไปกับความเกลียดชังให้ความรักให้ความเกลียดชังสั่งล้วก็ทำตามมันไปเกิดทุกข์เกิดโทษทุกทั่วไปจริงเรื่างนั้นไม่ใช่ชีวิตชีวิตเป็นต้องไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นไรชีวิตจริงๆน่ะนั้นความเจความเกียดคนตายไม่ใช่ชีวิตนั่นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของสัตว์ขอ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 เห็นการเจไม่ได้เป็นผู้จจเห็นการเจ็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บเห็นการตายไม่ได้เป็นผู้ตายเรียกว่าเหนือโลกอยู่เหนือโลกได้ในชีวิตของเราเนี่มันประเสริฐตรงนี้เรียกว่ามนุษย์มนมุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐตรงนี้ถ้าไม่มีตรงนี้มันจะเป็นอัพภาพกว่าสัตว์อื่นเขาเป็นสัตว์ที่อัพภาพที่ฉุดหมอบบางที่ฉุด โยงตัวกเล็กกัดก็เจ็บไก่ไม่ยุงกัดเขาไม่ได้นะไก่จะนอนกขาม้วนหัวเข้าไปมันปีกเขาฝนตกก็ตกลงไปยุงก็มีลงไปมันกัดไม่ได้แต่คนเราเนี่ยอาศัยเชิงเงินต้องสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างสร้างม้งสร้างอะไรป้องกันน้ำมัน ลำบากนะถ้าไม่มีตรงนี้มันประเจอตรงไหนอาจจะเป็นสัตว์ที่ทุกข์ทีท่สุดกว่าสัตว์อื่นด้วยมีความโกรธความรู้ความหลงกว่าสัตว์อื่นมีกิเลสทอนต้นหามากกว่าสัตว์อื่นด้วยได้แล้วไม่มีกุณธรรมเกิดกับเราแล้วอะไรไม่มีค่าชีวิตเราโกรธจนตายทุกข์จนตายหลงจนตายตรงไหนมันเคยชีวิตที่เรา อาศัยได้เรามีใจเราเพึ่งใจได้ไหม <Okay. S 1> หรือว่าคุมร้ายคมดีใจของเราเนี่ยถึงโอวาับนอนไม่หลับนอนไม่หลับพาให้หมกปุ้นคุนคิดไปกลางคืนเป็นขวันกลางวันเป็นเรลวแล้วมาดีตรงไหนล่ะเราจึงต้องศึกษากันประมาัไม่ได้้ ขอให้ที่นี่เป็นเพื่อนทุกคนมาอยู่ได้มีชิติร้อยเปอนไม่ต้องขอญาตจากใครห้าร้อยไร่ก็มีพอมีความพอเป็นอยู่ได้ไม่ฝืดกรืองเกินไปไม่พุ่งเผยเกินไปนี่เลยก็ แบงกันอยู่ ก, กันจีนไปไม่ใช่คนหนึ่งสุกคนหนึ่งทุกไม่ใช่ไอพ่อกัรใช้ชีวตที่นี่นี่ไหลรก็บอกกันเราไม่ที่งกันพูดเดียงมามาขอให้มาเราคิดอย่างนี้มาแล้วอยู่เป็นสุขไม่มีใครเบียดแบงกันนี่รละ เหนื่เหนื่ยเมื่อลามาก็มานอนไม่มีใครว่าถึงเวลากินก็ไปกินที่เสลาหน้ารองทานกินแล้วก็มานอนไม่เป็นไรถ้าเหนือ่อยเหนื่อยเมื่อลาเป็นทุกข์บวมซ่อมบวมม า, าพังผักโขก็ตายมีเรืองป็นแหลงเมื่อไหร่ยิงค่อยปฏิบัติไม่มีใครไล่กันหนีที่ม่ต้องเช่ากพรม่ต้องซื้อเอาไหม นี่อย่างนี้นะเรามีความพอใจมากอยู่ที่เนี่ยแต่เราพอใจแบบแบบมีตรแบบเพื่อนกันเพราะเป็นมีเป็นเพื่อนทุกคนนี่คือสุโกโตสุโกโ ต, ตไปดีมาดีไม่มีใครบีเปลียงกันจึงได้ชื่อว่าสุโกโตใช่ไหม น่นใครยังบีเบียนตัวเองอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่สุโกโตนะอย่างเกีนเล่าอยู่อย่างสุบูรีไม่ใช่ว่าอยู่สุโกโตนะสุโกโตต้องไปดีไม่บีเบี่ยนตนไม่บีเบียนคนอื่นไปไหนก็ต้องไปทําความดีมันก็อยู่ที่เราเนี่ยความชั่วก็อยู่ที่เราแน่ไอโอชนะตัวเองโอชนะความชั่วด้วยความดีอย่างเนี้ย สอนตัวเองให้มากคนอื่นสอนเราไม่ได้เรานี่แหละเห็นตัวเราเองอยู่คนอื่นไม่เห็นเราเห็นตัวเราไม่มีคําถามเราหลงหรือเปล่าคมหลงเกิดจากเราเองกมไม่หลงแล้วก็แจ้วเองได้แล้วมันหลงเวียนหลงเป็นลูกเองให้มันชํานาญตรงนี้ต่อไปต่อไปมันจะชํานาญมันจะทําเป็น เรียกก็เหมือนกับว่าว่าลมมันหลงเปลี่ยนเอาต่อไปไม่ได้เปลี่ยนเลยมันหลงที่ใดก็รู้ที่นั่นทันทีทันทีทนทเลยมันเป็นไม่เห้มันเป็ น, น, ปนถ้ามีความรู้แล้วโดวยที่ได้ทางเป็นปกติบ้านของชีวิตคือปกติไม่ใช่บ้านเรือนหลังกามุงในะชีวิตเราอยู่บ้านอยู่ในความปกติ ใช่เป็นไม่ปกติกลางคืนเป็นควรกลางวันเป็นเบลกลางคนนงืนว่าหวัญกลางวันว่ายคิดนึกว่าคนนาบปับไม่มีบ้านอยู่ขวัวไปนอนคิดไปถามไปคิดไปติดอะไรมาเป็นทุกข์เรื่องใดเป็นสุขเรื่องใดมาไหลไปไหลอยู่ทันทะเลไหลไปสันตติเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วไหลไปไม่อยากคิดมันก็คิดไม่อยากทุกข์มันก็ทุกข์ มันเคยยินความทุกข์ไม่เคยยินความคิดมันไม่เคยหยุดแล้วก็มีสติลองไปมีสติลองไปรู้ที่หนึ่งม่คิดที่หนึ่งรู้ที่หนึ่งคิดที่หนึ่งรู้ที่หนึ่งคิดสองข้างรู้สองข้างคิด้อยค้างรู้รอยข้างคิดพันข้างรู้อยพันข้า ง, าางมันจะไปไหนนันไม่จริงอะความคิดผมรู้สึกตัวมันจริงกว่าเรามาฝึกตัวกัน ไม่มีใครเห็นเหล่าเท่ากับตัวเราหัวโลมันหัวโลความทุกหัวโลความสุขหัวโลความหลงหัวโลความโกรธจ้าเห็นมันโกรธไม่ใช่เป็นผู้โกรธเห็นมันทุกไม่ใช่เป็นผู้ทุกมันคนละอันกันมีโอกาสหัวโลได้แล้วก็ง่ายง่ายได้เป็นผู้ทุกมันยากเป็นผู้หลงก็ยากเป็นผู้โกรธก็ยากให้เห็นอย่าเป็นให้เห็นอย่าเป็น ทำได้ไหมเห็นอย่าเป็นถ้าเป็นแล้วมันมันมันออกยากถ้าเห็นแล้วมันง่ายเหมือนเราเห็นงูเนี่ยเราเห็นงูจะให้งูกิดเหรอคนที่ปลอดภัยก็เพราะมันเห็นเห็นตาในตาในของเราเนะ่มันมีสองตาตาเนื้อตาหนหน้าก็มีสองหน้าหน้าเนื้อหน้าหน วางใจให้เป็นเรือ่องหน้าในมันมีที่วางหน้าเนื้ออาจจะหลอกกันได้ทาแป้งแต่งตัวหน้าในมันเห็นเราเองมันงามเองงามลึกนะหน้าในเนี่ยมันงามไม่มีเจมีเท่าหน้าในเนี่ยไม่มีเจมีเท่ามีเจ็บมีตายเป็นของที่บัน่นคง มันวางอยู่เป็นที่เป็นทางปกติไม่หวันไหวกับเชิงใดไม่บันไหวเชิงใดมาจะถานหน้าไหนเนี่ยเห็นกายในกายกายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนานั้นมีอันหนึ่งที่ซ่อนขึ้นมามีกายใ้วไหมคมีกายที่เป็นตัวเป็นตนก็ไปเยอะมตัวมีตนอยู่ที่กายมากมาเป็นพวกเป็นชาติอยู่ที่นั้น เกิเจ็เจ็ตายอยู่นั้นนี้ชาติมีพบอยู่ในเวทนาสุขทุกข์อยู่ที่นั้นเกิเจ็เจ็ตายอยู่ท่นั่นนี้ภพมีชาต vale ิอยู่ในความคิดอยู่ที่นั้นหลายพบหลายชาติในความคิดยรเกิดเจ็เจ็ตายอยู่ทนั้นมีพบมีชาติอยู่ในธรรมอารมณ์ที่เกิดเข้าใจเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นเจ็เจ็บเจบตายอยู่ท่นั่นหรือว่าตายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมถ้าเป็นธรรมชาติเฉยไม่เป็นไร ยุงกืบมันเจ็บไม่อะไรกินข้าวผมก็หิวตากเดบก็ร้อนฝนตกว่าเปียกก็หนาวไม่เป็นธรรมชาตินั่นไม่ใช่ชาติมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสัญญาณภัยของลูกมันเป็นธรรมชาติของลูกมันเป็นอาการของลูกไม่ใช่พบชาติพบชาติมันเป็นอีกในอยู่ที่นั่นมันเป็นในในพพในชาตินะั่ง ในกวามสุขก็มีการเกิดเจ็บตายสุขกี่ครัง้ง ก, กี่หนทุกข์กี่ครั้งกี่หนในกวามทุกขก็มีภไมีชาติอยู่นั้นในกายในเวทนาในจิตเหมือนกันหมดเราจะมอเห็นมันจะเห็นแล้วไม่เป็นนงวาสิ้นภบสิ้นชาติไปสิ้นภบสิ้นชาติไปชาติสิ้นแล้วผมอาจารย์อยู่จบแล้วจิตตื่นต้องทำไม่มีอีกแล้ว ผู้เจ้าได้อุทานออกจากผู้อดของผง์เจ้าจะมาทําอะไรให้เล่าไม่ได้อีกต่อไปจิตของเราถึงสภาพที่ไหลปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่ก่อนจิตปุงแต่งปรุงให้โกรธปุงให้โลภให้หลงปุงให้รักให้ชังปรุงให้สุขให้ทุกข์บทนี้เจ้าจะมาปุงให้เราไม่ได้อีกต่อไปจิตของเราถึงแล้วจึงภาพทิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพาน เย็นหมดพอละงั่นบ่าละแล้ ว, ลวลยินบองไ่เพียนหมดในบ้านโอ้ยบรรลุถึงนี้เพานเทินหลือต่อเมื่ีน ะ, อะเอวฟังก็มีด้วยประกานชนนี้